เสถียนโพธินันทะบรรยายเรื่องหลักของสุญญตาถ้าศาสตรมจะมาที่จะให้เกี่ว่าหลักของสุญญาตาคำว่าสุญญตานั้นมันจะฟังแต่ผู้สาหรับชาวพุทธในฝ่ายไตรวาสเราคำคำนี้น่ะเป็นคําที่ชาวพุทธในฝ่ายมหายานเขามีโยมใช้กันแพร่หลายพ้พูดถึงหนึ่งสุญญตาแล้วผู้มหายานเข้าใจกันดีประมาณถึงอะไร การสาหรับชาครุธในฝ่ า, ายเสรวราชเราบางทีก็จะเป็นตัดแสงจีนใหม่แต่อันที่จริงนั้นในพ ร, ระไตรปิฎกฝ่ายบาลีของเราเองก็มีคำว่าศุญย์ญาติใช่มากมายเหมือนกันเห็นในคำทีปฏิสัมพิามัตนในปฏิสัมพิามัต น, นี้มีการแสดงถึงหลักศุญย์ญาติโดยแบ่งประเภทเห็นว่าจับคุกศูนย์จับคกวิญญาณศูนย์จับคุกสัมพัทธ์ปชาอ่าต่อศูนย์แล้วก็ยัง ฐานะศูนย์ฐานะวิญญาณศูนย์เป็นอันดับคือแสดงว่าอายตนะภายในศูนย์ทั้งหมดอายตนะภายนอกก็ศูนย์ทั้งหมดแม้แต่อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมากระทบกันก็ศูนย์ทั้งหมดแยังแสดงไปบอกว่าโลกก็ศูนย์ธรมก็ศูนย์แสดงเป็นศูนย์ศูย์ใช้คำว่าศูนย์ใช้หลายมากในคําทีสติคัมปชัญญะในฝ่ายบาลี เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาดูโดยแยกคายแล้วเรื่องขอุนญาตาจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะของ่ายมหายานฝ่ายเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของทัศธศาสนาโดยทั่วทั่วไปนั่นเองคําว่าขุญญาติตัดๆนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรคําว่าขุนญาตาไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรไม่ใช่หมายถึงเสาตาที่โล่งๆว่าไม่ตาตาไม่มีอะไรคําว่าขุญญตาในที่นี้ลงกันกับคําว่าขนัตตา กันเองอนนาตาอันใดสุญญาตากว่าอันนั้นสุญญาตาอันดอันตากว่อนนั้นเพราะฉะนั้นข้าเข้าใจหลักอณนตาดีแล้วก็เป็นอันว่ารู้จักคำว่าสุญญตาด้วยแค่สุญญตากับอันนาตาเป็นเพียงแต่ไว้พดกันเป็นไว้พดเลียดเลียดแทนกันเท่านั้นเองเมื่อในชาติที่ฝ่ายมหายานั้ น, ออ ah น, น, นเขาชอบใจคำว่าสุญญาตามากของาคำวาอันนาตาเขาจึงเอาคําคํานี้ไปเลี่ยดไปสั่งสอนไปที่แกงในหมู่พวกของเขาให้แพร่หลายมาก อ่าถ้าพวกเราฝ่ายเทรวาสก็นิยมคําว่าอนัตตามากกว่าคำว่าสุญญตาแลเราจะเอาคำว่าอนัตตานี่เนี่ยมาใช้เป็นที่แค่หลายรู้จักกันในหมู่นักปฏิบัติและนักปรัชญาธรรมมุ่งสูงกันมากอันที่จริงแล้วเป็นลายพจน์กันคือคําที่เรียกแทนกันได้เองในปรัชญาธรรมฝ่ายบาลีหรือพุทธศาสนาที่เป็นแบบเดิมคือแบบเทรวานั้น่ถ้าผ right, exactly well. <text copyright oils> <and> ู้ติดใจไปตุ้งแสดงเรื่องของสุญญตาไว้เช่น ไม่มะจิมะในกายปารมะจิมะใ น, นกายนะมีสระโสตสองโสตโสตหนึ่งเรียกว่ามหาสุญญตาโสตรสตหนึ่งเรียกว่าจุลสุญญตาโสตเนี่ยนีเรื่องอเรื่องของสุนใหญ่กับเรื่องของสุญย่อยต้องแสดงว่าอย่างนี้าเรื่องของสุนใหญ่สุนย่อยน่ะเป็นอย่างไรคือว่าเราได้ทราบมาแล้วว่าหลักสาคัญในพุทธศาสนาเบื้องต้นก็คือหลักอนัตตาและหลักสุญจาตาอนัตตาและสุญจาตาในที่นี้ได้แก่การปฏิเสธว่า มั น, ไ ม, นมไม่มีสาระถ้ามีสาระไม่มีสาระอีกจะพึงจับฉวยเอาไว้ว่าเป็นเราเป็นของของเราแต่าพใดซึ่งไร้สาระคงที่อันจับฉวยไม่ได้ว่าควรจะเป็นเราหรือเป็นของของเราสภาพนั้นน่ะชื่อว่าสุญญาตาอย่างเช่นว่าขั้นเชิงของสุญญาตาหรือของอนัตตานั้นในขั้นยากความรู้สึกของเจ้าตพิสูจนอื่นตอนพระพุทธเจ้าเขาก็เห็นกันเหมือ น, นกันแลาวคือเขาเห็นกันว่า ตามมาสุกนี่น่ะไรสาระเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ปฏิบัติต่อแวสวงหาความสุขในทางนามธรรมในทางใจเป็นเหตุให้เกิดรูปประชานขึ้นเขาพอใจติดในรูปประชานโดยลากตามมาสุกได้เพาเหตเห็นตามมาสุกนั้นเป็นขุนะตาไรสาระาแต่ว่าเกิดมาจาับช่วยทิ้เอารูปประชานที่เขาได้กาเป็นสาระาขึ้นมาดอีกพวกหนึ่งได้พยายามปฏิบัติทาพคนข้าไปอีกก็ได้รูปประชาน เห็นว่าแม้แต่รูปประชานก็ไรสาระเพายังเปลี่ยนแปลงได้อรูปประชานที่ตัวได้นี้เข้าใจว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงเป็นของมีสาระเพราะฉะนั้นผู้ ท, ที่ได้อารูปประชานนี้ก็ต้องอยัดรูปอารูปประชานว่าเป็นสาระตัวนีสภาวะภายนอกนี้ไร้สาระก็เป็นขุญญาตาไปแปล ว, ว่าขุญญาตานั้นมีทั้งยาวบานกลางละเอียด อ, ยยยอุปมะใกล้ๆไหล่ปอปอตาด้วย ปอกตาปลุกลอกตาปลุกลอกมชัดชัดหรือเหมือนหนึ่งต้นไม้ซึ่งประกอบด้วยยันประกอบด้วยกระพีประกอบด้วยปเยปอเืปอก น, นะพวกตมหน้พรามเหล่าอื่นที่เป็นกรรมวาทีภายนอกาศาสนาของเราเก็ฑพวกตึ้งสีดาวหมดต่างๆที่เป็นกรรมวาทีแล้วมาทาฌานได้พวกนี้นะ่ะเป็นเพียงแต่ปอกตาถึงจะตาได้แต่ท่านอยากยาวแต่ว่า ละวางปล่อยวางสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปหยักด้วยเอาไอ้สิ่งที่ตัวได้ดนั่นแหะว่าเป็นของแท้ของแน่เพราะฉะนั้นสุญัขตาของพวกนี้จึงเป็นสุญัตาที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราวะว่าละสิ่งหนึ่งไปยึกสิ่งหนึ่งนะยังไม่เป็นการสุนัขตาสมบูรณ์แบบถ้าพุทธเจ้าของเราเมื่อ ย, ยังแสวงหาวิโมกขธทําอยู่ได้ไปศึกษาในสำนักของอารดาบทกับอุสกดาหมท่ออาน ด, ด, ดาหมดสองท่านนี้เป็นผู้สอนลัทธิสัจยาที่เรียกกันว่า ปัจจัยสามขยะปัจจัยสามขยะปัจจัยสามขยะนี่สูง ม, มากเป็นเป็นปัจจายสิ่งหนึ่งของศาสนาพราห์ซึ่งมีคติธรรมสูงไม่ใช่ น, น้อยทีเดียวคือสอนใ้ละตามตามตามตามมารำทั้งหมดตอนให้่อวางกามมาทำแล้วเห็นตามมรรมโดยความเป็นอนิจจังทุกขังนะแล้วก็แต่ให้สอนทิ่ว่ามีตัวตนเป็นผู้รลุดพ้นจากกามมารมนั้น นึกว่าตัวตนที่กุศล น, นี่แหละเป็นนิพพานนึกเอาตัวตวทนที่กุศนจากกามมาทำาด้า น, นี่แหละเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นพวกนี้ดาบบททั้งสององนี้เห็นสุญญาตาเหมือนกัน mm hmm. เห็นสุน ญ, ญาตาเพียงกามาทำเานั้นเอง mm hmm. แต่ว่ามาันยังมายึดติดในอ่าลตุเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้า mm hmm. หรือสมัยนั้นยังเป็นเจ้าชายติดขัดอยู่ย mm hmm. ิงไม่พอพระสุเทถายเมื่อถ้าอาจารย์สอนนั่นแหล ว, ว่า ไม่มิวติของท่านนั้นท่านถือว่ามีเข ต, ตันยูเขาว่าเขตันยูนี่แปลว่าผู้รู้เขตนะหมายถึงอัตมน์หมายถึงอัตโนัตาเขตันยูแปลว่าผู้รู้เขตเป็นสมัญญาธําหนึ่งในริกายสังขยะเขาสอนกันเขตันยูผู้รู้เขตก็คืออัตตาของเราท่านถือว่าในมิวตินั้นอัตตาเป็นผู้ถึงตนไม่ผิดทานยังมีอัตตาอยู่ใต้อัตตาของท่านนั้นประกอบด้วยญาณหรือไม่ประกอบวิญาณแล่า ดามดก็ถุนว่าอัตตาต้องประกอบด้วยญาณต้องยาณนะอัตตาต้องม <could> ีความราู้ยังประกอบด้วยยาเมนตีกินตีคือความรู้อยู่ยาเินตียเป็นภาษาอังกฤษภาษาบาลีเป็นยาเินตีไม่มียาเินตียคือมีความรู้เป็นใหญ่เจ้าชานคัทพยอนถามว่าถ้าท่านถึงว่าเขตตันยูยังมีความรู้อยู่ไใจก็แสดงว่าเขตตัญยูเนี่ยยังต้องแสวงหาสิ่งที่จะรู้ใช่ไหมดาบททั้งสองก็นี่อึดอั แล้วก็บอกตอบว่าใช่แต่าชาติพัฒนาจริงยอดว่าถ้ า, ายะเหตุการยูยังต้องตแต่งหาสิ่งที่มันจะรู้แล้วเหตุการยูนั้นก็ยังไม่เป็นอิสระธรรมเหตุการยูนั้นก็ยังไม่เป็นอิสระธรรมหมายความว่ายังข้องเกี่ยวอยู่กับความรู้อยู่ตราบใดมีผู้รู้ตราบนั้นก็มีการข้องเกี่ยวกับความรู้นะ เมื่อมีผูรู้แล้วยังต้องมีงเกี่ยวกับความรู้ตาแสดงว่าผู้รู้นั้นยังไม่เป็นอิสระโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงนพอใจรัทธิของดาบ ท, ทั้งสองอาท่านกล่าวว่าจะให้มีผู้รู้โดยปราศจากสิ่งที่จะถูกรู้ก็เหมือนผู้ว่าจะให้มีความมีไฟแต่ปราศจากความร้อนฉนันใดในวิสัยทิศของท่านถ้าหากว่ามีอัตตาดูสิอัตตานั้นเปมีความรู้ แล้วทำไปต้องต่อแสวงหาถึงที่ถูกรู้ก็เหมือนจะพูดว่ามีไฟแต่ไม่มีแสงไฟหรือมีไฟแล้วมันมีความร้อนของไฟมันจะเป็นไฟได้านไหนเพราะฉะนั้นความร้อนมีอยู่ในที่ใดอุณหภูมิแห่งความเป็นไฟก็มีอยู่ในที่นั้นไฟปรากฏอยู่ในที่ใดความร้อนก็ย่อมมีอยู่ในที่นั้นแยกจากกันไม่ได้เหตุนั้นอัตตาคือเถตุกัยูอันท่านบัญญัติว่าเป็นภารในที่ของท่านจึงยังไม่ช่เป็นภารที่แท้เพราะยังตกอยู่ในข่ายแห่ง ไอความรู้กับสิ่ที่ถูกรู้จำกัดอยู่เจ้าชายสถาปน์ถึงเวลาอาจารย์ทั้งสองออกไ ป, ปแวหวนมิมุตนะิขึ้นพระองค์เองในวัฒนศีบาลีของเราไม่กล้าพูดว่าองเมื่อไหร่และที่อาจารย์ทั้งสองนี้เทราะอะไรพเพราะเพียงแต่ที่แจ้งว่าอ่าดาวบทั้งส อ, องคุคหนึ่งได้อกินกรรมยานิสนาสมาบัติอีกองคหนึ่งได้ในวัฏจาร น, น, นาสัญญายานิสนมาบาัติซึ่งพระองเห็นว่ายังไม่เป็นสมาบาททัติที่สุดข้อจริงจริงเบือเบ่อเสด็จลาจากไป แต่ในวาระคดีฝ่ายพุทธกิจเขาบอกเลยทีเดียวบอกคําำโต้ตอระหว่างเจ้าชายปิชชากับดาวบทสังตอแย่งกันดื่มารติเครื่องอัตตาผูรู้นี่แหละทางพุทธศาสนาเราต้องการจะดักผู้รู้แต่ศาสนาพางเขาต้องการจะให้ไม่ผู้รู้ต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเจ้าายปิชชาจึงได้ละจากดาวบทสังตอในทีนุเตัตรูที่ัตรูนั้นก็ไม่ใช่อินทรัตรูในความเป็นสุขแตตาหรือาเป็นอนัตตาในสภาพทำทุกขโดยแค่ชีิ หมายความว่าโดยไม่ใช่ช น, นิดอย่างล่อตาล่อขวดไม่ใช่เลยนะล่อาตาขวดบางทีล่อยังไม่สิ้นยังเหลืออยู่รอกยังไม่หมดคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆว่า อ, อานิพานหรือความดับพุกนั้นเป็นของพิเศษอย่างหนึ่งถล้วไอ้ของพิเศษอย่างเนี้ยมีหุบคุ้มไว้ด้วยสตูหลายทั้นพวดนาหมดต่างๆที่เป็นธรรมวาทีพวกอานิพานติปานนะั้ เปิดประตูในพานก็นเปิดเหมือนกัน แ, แต่เปิดเชียงประตูหนึ่งประตูสองอย่างมากแล้วคนนึกว่าไอ้ประตูที่เปิ ด, ปดที่จริงนิทานความจริยังเขา้าไปถึงยังมีประตูสามประตูสิ่หลายทันเขาคุยจ่ายใหเรานะั้นผ่านมาทุกประตูแต่าประตูสุดท้ายก็ไม่ยอมติดอยู่เปิดแล้วก็เลยได้ตัวัจจุบันนี้มาเป็นของตัวสันใดานขนตานั้นต้องเป็นเรื่องลอกตาคือเป็นการเชื่ออุปาทานในสภาพธรรมต่างๆที่ไม่ควรยึดมั่นหรือมั่น แต่ว่าเนี่อำนาจอวิชชาปัญหาทาให้เกิดไปนิสมันถือมันข้อรอกตาของทิละชั้นทีละชั้นทีลชั้นจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายรอกลอกตัวทั้งคำในตัวหนึ่งคือตัวขตัวเองเขายังมีตัวของตัวเองอยู่ใช่ไหมได้นะยังมีตัวของตัวเองอยู่อ่ะไม่กดตัวเองได้ดิธานความรู้สึกว่าตัวเองได้ดิธานนั้นก็ต้องหมดไปด้วยถ้าตราแต่ยังมีความรู้สึกว่าตัวฉันนี่แหละเป็นลุกคำดิธานแล้วความรู้สึกอันนี้ยังไม่ดิธานยังไม่ดิ ยังมีความรู้สึววกว่า ต, ตัวฉันนี่เข้าในทางแล้วตัวฉันนี้เป็นอรหันต์แล้วจ้ายังมีรู้สึกว่าตัวฉันนี้เป็นอย่างโน้นตัวฉันนี้ได้อย่างนี้ตัวฉันนี่บรรลุได้อย่างโน้นได้ปุ๊ขั้นนั้นขั้นนี้ความรู้สึกว่าได้ความรู้สึกว่าฉันยังมีอยู่ตราบใดแสดงบอกคนคนนั้นยังไม่ถึงนิพพานยังอยู่แค่ปาตะโูนิพพานนั่นเองยังไม่ถึงนิพพานเพราะฉะนั้นหลักขุนญาติที่ใท้จรินจึงมีเฉพาะในพุทธศาสนาเพราะสอนให้ละตุลาทานสิระชันสีันจนกระทั่ง แล่อไอตัวตนแต่คือไอตัวที่รู้สึกว่าจะมีอุปาทานัวนี้ก็ต้องปล่อยปลูกล่ไปด้วยไม่ใช่ล่อแบบมือล่อข้ามือล่อข้าข่าตายสิ้นไปไอตัมืลลอมมยังอยู่ไม่ใช้มันก็เกิดค่าใหมายขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่ยังเข้าไม่ถึงหลักสุญญาตาที่แท้จริงนั้นดับหยเอาผิดผิดไม่ว่าไอการละตา ม, มาทํทานิดาเป็นอิพานให้เขาอยู่ ล, ล่อ่ะไม่ใชาต้องห่อขึ้นมาเองเหตุนั้นหลักสุญญาตาจริงเป็นหลักหัวใจของพุทธศาสนา ไม่ไว้สําหรับขออุปารทานมีไว้สำหรับ ข, าาขอขอุปรารทานนะเขานี้หลักอะไรลักษณะาอา น, นิจังพุทธังอนตัตตามีปางอันนี้ความจริงอันเดียวกันความจริงอันเดียวกันอา น, นิจังพุทธังรวมอยู่ในอนัตตารวม อ, อยู่ในอนัตตาท่านสอนมหาญาณเขาก้าวหน้าในเรื่องนี้คือว่าเขาบอกว่าลักษณะปางมีความจรงเป็นเอกลักษณะคือลักษณะอนัตตาหรือลักษณะสุญญตา อนิจังอันใดทุกขังก่อนนะทุกขังอันใดอนัตตาอันนะเพราะเปนั้นปฏิปธรมทั้งดวงจึงเป็นอนัตตาหรือพูนง่ายว่าสฏิปธมทั้งดวงจึงเป็นสุญญตาทำไมถึงว่าอันิจังทุกขังเป็นอนัตตาด้วยทําอันใดสิ่งใดแปลแต่ที่ไม่เที่ยงก็แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีสาระไมีสาระคงที่มันถึงไม่เที่ยงถ้ามีสาระคงที่แล้วจะเพี่ยงจะต้องเที่ยงถ้าสาระของมันไม่คงที่มันถึงไม่เที่ยง เขาไม่เที่ยงมันเป็นคนไม่ด้านนะก็เมื่อไม่มีสาระแล้วมันคืออะไรล่ะก็คืออินญาตานั่นเองหรืออนัตตาเองเพราะเอเส้นไตรลักษณะรวมกันเข้าเป็นเอกลักษณะคือรวมรวสันที่อนัตตามีพัฒภาติดมากหลายในบาลีที่กล่าวว่าเมื่อใดายที่สุดทั้งหลายมาพิจารณากําหนดตามอนิจจาสัญญาอยู่เมื่อนั้นเรอย่อแฝงทะลุในทุกในอนัตตาเนี่ยแฝงทะลุถึง เพียงแต่พิจารณาอนิจจันอันเดียวสะพกพุทขังสะพกอนัตตาหรือเพียงพิจารณาพุทธขังอันเดียวกับพกอนิจจันต์สะอนัตตาหรือเพียงพิจารณาอนัตตาอันเดียวสะพกพุกขังสะพกอนิจจ์มันถึงกันหมดเพราะอะไรเพราะเอาหลักเกณฑ์อันหนึ่งมาตัดสินว่าสาระสภาพใดไร้สาระสภาะนั้นจึงแปรโทนใช่ไหมแล้วสภาพที่แปรโทนสภาพนั้นก็ฟ้องตัวมันเองว่ามันเป็นสภาพที่คนอยู่ไม่ได้ ตัวมือมันไล่สาละแล้วมันจะมีอนัตตาไปได้อย่างไรไร่สาละมันก็เป็นอนัตตาเองเหตุนั้นไตรลักษณะสามจึงรวมลงเป็นเอกลักษณะเป็นอนัตตาหรือเป็นผุญาตาอันเดียวเป็นอันเดียวเพราะฉะนั้นคําว่าผลญาตาในที่นี้เป็นเพียงแต่คําว่าปฏิเสธว่าไม่มีสาละไม่ใช่หมายความว่าไม่มีอะไรเลยตางกันนะอันนี้คือผลญาติที่เขาไม่มีอะไรเลยแล้วอันนั้นมักปณิธานก็ไม่เหมือนเราจะมันนั่นจะเดินนักปณิพานไปทําไม ไม่ไดหมายคามาอย่างนั Belgium, i, i, ator, Rudy, ้นคือตาใจก็ไม uh, ่มีอะไรเลยแล้วพอที่เราเห็นกันอยู่ที่มื่อไรล่ะตึกล่างบ้านช่องโต๊ะตก็อินผู้หญิงผู้ชายสับสนฉานเดินกันเอาลมป้าอาบแดดโอเคเราอยู่มาจากไหนล่ะทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วถ้ราะฉะนั้นคาว่าตาใจไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยแต่ต้องแปว่าไม่มีสาระอะไรคำว่าไม่มีสาระอะไรก็ไม่มีอะไรเีตุต่างกันมากนะไม่มีอะไรเลยแปลว่าไม่มีปรากสิ่งหึ่งสิ่งหนึ่ให้เราเห็นเลยแต่คำาไม่มีสาระอะไรน่ะหมายความว่า มีมสิ่งใดสิ่งหนึ่งปราบอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นมันไล่สาระเพราะมันไม่นคงที่มันอาศัยสิ่งต่งตางๆไปชุมกันมันจึงนี้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีอะไรกับคําว่าไม่มสาระเนี่ยเราต้องแบ่งแยกให้ดีนี่ฉะนั้นแล้วเราจะกลายเป็นอุเทนทิพย์หรือเป็นมันกศกษาทิพย์ไปพวกสมณะพราหมพวกอุเทนทิพย์กับนักศึกาทิพย์ที่เกิดเป็นทิพยทอันนี้จริงได้เพราะว่าจับฉวยคำว่าสูงใหญตาผิดพวกนี้ก็มีสติปัญญาไม่เห็นน้อยในการพิจารณาทางทั้งหลาย พิจารณาไปพิจารณาไปก็เห็นทุกสิ่งเนี่ยมันว่างเปล่าก็เลยไม่าอใจสิ่งนี้มันไม่มีก็เลยปฏิเสธบุญกรรมต่างๆพวกง่ายๆว่าปฏิเสธสมมุติปัญญัต่างๆเป็นไฟขุดโงงทาให้เกิดเป็นมิจฉาทิฐิไฟอุเฉศว่าและนักปิกจักว่าขึ้นมาได้แต่สาหรับหลักวิญญตาของพุทธตาสนาเราไม่ได้สอนอย่างนั้นเราสอนโดยเรื่งจักรปทวว่าปีนทะรวมมีแต่การมีของมันนั้นมีอยู่อย่างไรสาระ อ่ะตอนนี้เราไ land, well, ม่บอกมันมีมันเป็นเป็นด้วยอํานาจของอวิชชาปัญหาถ้าไม่มีอวิชชาปัญหาแล้วความว่างเปล่าความเป็นผุญตญตาทองสิงทั้งหลายก็ตาโกดกยานัตสนะของเราเพราะฉะนั <buck> ้นทางพุทธศาสนาจึงได้สองสองหนึ่งัพจสองกล่าวคืนสมุกติสัพจสัปรามัทธสัพจไม่ให้ทะเลาะกันพระพุทธเจ้าเองประกาศเสมอว่าที่สุ่ทั้งหลายเราไม่ทะเลาะกับโลกแต่โลกทะเลาะกับเราหมายกว่าอะไรเขาบอเราไม่ทะเลาะกโลกหมายความว่าตรงแสดงคา ทั้งใน่วนประมั ธ, ธรมสัจจ์ทั้งใน่วนสมมติสัจจ์ไม่ใช่ขอให้แต่ประวัติศาสตรจักอย่างเดียวโดยมอข้างสมมติสัจจ์ที่พ่าโลกทะเลาะพระโอลนั่นคืออย่างไรโลกเป็นข้าใจความหมายของพระอลนี่แล้วก็มาพูดวาวพูดโยต่างๆงาาเป็นคนบางคนบอกว่าพระทุกขเป็นสุนจระตาแล้วแล้วก็นันท่านเตะ ก, กดีนมันก็ขุญกะตาเ็ะขุญกะตาเปนังอะไรล่ะจะไม่นาร้าโอลมนาจะมาตอบแทนท่านเลยนะนี่แว่าหาเรื่องละอันสบาน ไม่สรรมะเขาเลยเรดโยหาเรื่องแสดงเขาเป็นอันตรธานขึ้นมาเขาไม่ได้สอนอะไรอย่างนั้นไม่ได้ขอนสุนทรีย์ตาว่าถ้าเราไปเตะกันหมดเตะกันแล้วก็มีอะไรเะความว่ากับความว่ามันหัวกันมันจะมีอะไรขึ้นมามันต้องมีอะไรถึงมาสินะถ้าเราได้เรายังมีความรู้สึกอยากจะเตะเข้าอยู่เพราะว่านั่นแหละแสดงว่าเรายังกดเป็นธาตุของกิเลสปัญหาอยู่ทั้งๆที่กิเลสปัญหามันก็เป็นสุญทรีย์ตาะว่าเราเป็นสุนทรีย์ตานี่แหละนี่แหละแต่เราต้องสนใจนะว่าความรู้ ความรู้ที่เกิดจากสุตตาที่เกิดจากอินตากับความรู้ที่เกิดจากภาวนานี่ยมันต่างกันพระอรหันต์ผู้คนที่ได้เห็นสุญญาตาโดยแจ่มแจ่มชัดนั้นท่านก็ไม่อยากไม่คิดอยากจะเปกคนท่นเห็นสุญญาตาโดยแจ่มชัดไอ้ลุงคิดอยากจะเป็นคนก็ไม่มีแต่ว่าผู้ชุมนที่ฟังธรรมของพระอรหันต์แล้วมาพูดบอกว่าอ้าวทุกทีไม่สุญญตาแล้วนั่นลองก่ฆ่ากันได้สุญญาตาต่าสุญญาตาไงละไม่น่าจะมีบุญกรรมอะไร อย่างนี้เขาเปรียบเหมือนว่าอ่าคนที่ตาบอดคนตาบอดที่ท่านจะพัฒ น, นาสีแสนวันละต่างๆแข่งกับคนตาดีคนตาดีนะ่ะคือพระอรหันต์เห็นจริงว่าสีแสงวันณะต่างๆเป็นอย่างไรท่าเห็นเห็นจริงในตัวขตัวเองแล้วก็ไม่ทะเลาะกับใครไม่เป็นศัตรูกับใครไม่ขวางโลกผู้ไม่ ง, ง่ายไม่ขวางโลกรัตตังสมุติบัญอยากสงก ลูกผู้คนที่ตาบอดแต่เอาทฤษฎีเป็นหุ่นตาตามาใช่เนี่ยจะกลายเป็นนักพิกาพิีิดขึ้นมาเพราะว่าเหมือนคนตาบอดซึ่งปวดดีอยากจะแข่งโต่าเสียงตะลึงสีสันหน้าต่างๆกับคนตาดีฉั้นใดไปฉันนะสาเหตุนั้นคนที่ไม่เข้าถึงหลักถึงจะตาแต่พูดในทรรนองอย่างที่ว่ามาอันเป็นแบบเดียวกับพวกมิจฉาทิฐินักพการทิฐิกล่านั้นจึงเปรียบเหมือนกับคนไข้ที่ยังไม่หมดไข้ แต่สงคัญคนผิดว่าหมดไข่แล้วแล้วก็พินของสแสลงมาปั่นของสแสลงนนี่ก็ทําผิดเล่นเอาเกิดอาการไข้เพียบหนักหรือบางทีตายไปเลยนะส่วนคนที่เข้าถึงหลักรรสึญญตาโดยใช้จริงแล้วเขาไม่ทะเลาะกับโลกไม่ทะเลาะลกับใครเพราะลัทสมมติสัญติปรามั ต, ตบรรัญญัติน่ะลูกจะพาะภาในจิตใจของตัวเองรู้ไว้สำหรับละกิเลสสึญญตาแต่ไม่เคยรู้ไว้สำหรับอรรมะทะเลาะกับใครเป็นอย่างนั้นคําพูดของโลกตกผู้ไปตาม้าโลกครับก็นี้เรามีเขามี ผู้ชายมีผู้หญผู้ตามอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นในโภสภากะสโภสภากระสดพองทรงแสดงอัตตาสามอย่างอัตตาที่เกิดจากอาหารยาอันเกิดจากข้าวกลพมาอ่ดอันเกิดจากข้าวุกนี่อย่างหนึ่งอัตตานี้ได้แก่อัตตาเราเห็นเห็นกันเนี่ยใจเรื่องเราเนี่ยนี่ทาหนึ่งอัตตาอันเป็นจิดที่เป็นจคิดท่านหนึ่ง อัตตาที่เป็นกายธรรมท่นหนึ่งอัตตามีสนในโสดาบันแสดงอัตตาสาอัตตาที่เป็นกายอยาทีนี้ใคเห็นแล้ว่าไม่เห่ตัวนี้ใช่จริงวิทยาศาสปัจจุบันเขาสอนออกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราล้วมันเกิดจากไอ้วกวิตามินต่างๆอาหารต่างๆนีต่างๆมารวมกันเข้าหรอกทีนี้วิชาสโนขสอนสันไม่แปลอัตตาที่เป็นกายคิดได้ก่ษเศพูดชาบ้านนี่เมอเศษพูดวิญญาณในคอามต้อรวิญญาณนี่แหละนะเป็นกายคิ อย่างนี้มีพวกเราเวลานี้ยึดถือกันผู้ทุจรชยึดถืออัตาตัวนี้เป็นตนผู้ทุจรทั่วไปยังยึดถือตัวนี้ว่าเป็นตนเป็นตัวของเราตัวอ่าฉันรั่วตัวฉันมีตนก็เท่าไหร่ฉันรั่วฉันมีอัตกาที่ฉันรั่วทั้นมีนี่แหละนี่แหละเป็นกายคิดเป็นตนที่เรายึดถือกันอยู่ในรีสายของผู้ทุจรนะตาที่เป็นกายธรรมนั้นไม่ใช่พวกเรายึดถือกันนละมันเกินขุมพวกเราที่เป็นตามาวัจรอชนกันอยู่อัตาที่เป็นกายธรรมนั้นเป็นตาของผู้นักปฏิบัติ ปฏิบัติทางสมถะอิสตนาพวกนี้พวกนี้ใช ย, ยึดถือเอาอาการสงบของติสสงบจับ อ, อีวอนอาการยที่สงบจับอีวอนทั้งห้าอั น, นจะเป็นในขะั้นหนาวิญญาณยึดถือเอาภาวะอันนี้ว่าเป็นตนเป็นตนที่แท้ทีเดยวเป็นตนที่แท้นี่เป็นอัตราที่เกิดจากกายทาั้งสามทาัานด้วกันพระพุทธเจ้าสแสดงกระบอกสปารัตปิภาชก จะพบดปริฆาทุบริวารอีกห้าร้อยบอกว่ า, าสาวโคตรสนเนี่ยละอันตราทั้งสามอย่างนี้คราวนีษษ้นสิตะมายควานชา้างึ่งเป็นสาวกของโตดาภะอยู่ในบริษัทนั่นด้วยเกิดความปริที่ตบขึ้นว่าเออถ้าพกสิ่งเป็นอันาตาอย่างพระองค์สอนแล้วนั้นอะไรเล่าที่มันมันมันเป็นตัวละอันตาอีกทีหรืออะแน่อะไรเล่าเป็นตัวละอีกทีหนึง่งคือคนเรามันมีสองธาตุวิญญาณ วามือถือออกเป็นตัวอยู่แต่นายแต่ลายมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงพยายามจะวิ่งเข้าหาตัวคล้ายๆกับท่านผู้พจารณาสอนว่าท่นทั้งหลายจึงลานะอย่างคืออะไรเลยนะเราก็เตรียมตั้งปัญหาไว้ในใจไปอ่อนงี้เดียว่วาเอาละลาหมดแล้วเราจะให้ชาวพระองค์นีตรลายอีกขึ้นมาล่วถามผู้พิจารณาสอนนั่นแหละไอ้ชาวกศิษยท์ท่านจะอยากจะยึสนะคนจะลากไปเสียก็อยอมพระองค์ว่าลากหมดแล้วไมจะให้แต่ลายอีกล่ะเนี่ยหรือจะเอายิดไอ้กองที่ลาหมดนี้น่ย คุณเขาเอาอีกขึ้นมาพุเจาว่านั่ชาไม่ได้นั่นะจะละไปหดลกอยางรู้ึกาอยากจะยึดไอ้ตรงที่จะละอละไปหมดยังทชไม่ได้จงปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอยากไปจับถืออะไรเลยเขาพยายามจะย้อนว่ายวางหมดแล้วจะห้พวกข้าท่านพุทธเจ้าจับถือเอาไอ้ตรงที่ปล่อยวางหมดได้ไหมพุทธเจ้าไม่ได้ยึดไม่ได้ทั้งนั้นในจิตใจป้อนข้างก็มีความรู้สึกอย่างนี้บอกว่าถ้าให้ละอัตราทั้งสามชั้นหมดแล้ว แล้วอะไรเราเป็นคน่ะแน่วิ่งออกหาปัญหาว่าใครเราเป็นผู้ละอันนี้จะพัท ด, ดไอโตัวไอ้ตัวเรารู้สึกว่าใครแรกเป็นผู้ละตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทําห้ไหม่ให่ละถ้าหากว่าสามารถละไอ้ตัวที่ความอยากจะรู้สึกว่าใครเราเป็นผู้ละได้นั่นแหละเป็นอุทานรพุทธศาสนาต่างกับศาสนาความตรงนี้เองไอทง้ทางธรรมะเบื้องต้นต่างกันตรงนี้ดวงตามทาทำไม่ไช่จะต่างกัน ขาศาสนาพาหในส่วนบ้งสูงเขาสอนในละมีวันเหมนกันพวกผู้ประชานอรุประชานดาบทที่อรูปประชานอรุประชานเนี่ยไม่ใช่ย่อยนะสูงมากแล้วที่เบางเป็นคนแลวพวกนี้มีฝ้าอยู่นิเดียบางตาอยู่เป็นเส้นผมบางที่ขาวนิเดียวนิเดียวเขาคิดไป่าท่านเชียเส้นผมนี่ออกตว่างโล่นโขกแค่นี้เองาอฉะนั้นจริงในอุทานของดาบททั้งสองถึงความเสื่อมใหญ่แล้วที่มาได้ฟังธรรมของเราพอไปเกิดเตะอรุปรพกเสร็แล้วบทวิสัยจะฟังทําได้ถ้าอยู่ในรปรพกหลวงจะฟังได้ มีจะเกิดในอารมณเสียแน่เป็นอคตปัจะัยเสียแน่ทำให้ได้มีคุณาพเสริมใหญ่แล้วแล้วก็ดานบนพวกนี้ลุนแต่มีสีเหลืบาบางใช่ไหมเบามากเพราะมีวาร์ห้าไม่มีมีวาร์ห้านี้แล้วเบามากเกินแต่จป็นเ้นผมบางสูงเขาเพราะไอ้คันชาติยานความรู้สึ ก, กว่าเป็นเราเนี่ยซึ่งเรียกว่าอหังการความราะตัวเป็นเราเมื่อมีคําความรู้สึกว่าเราก็มีความรู้สึ ก, กว่า ของเราอันเรียกว่ามะมังการหรือของเขาอันเรียกว่าปรังการอาหน ร, า ก, า ก, า ร, ารการมะมังการปรังการสามอย่างอาหารการความคิดถือว่าเป็นเรามะมังการความคิดถือว่าเป็นของของเราปรังการความคิด <โ frustrating S 3> ถือว่าเป็นของของเขาสาอันนี้แหละที่เป็นศัตรูใหญ่ทำให้เราเข้ามิถานไม่ได้สามอันนี้ทําให้เราเข้าถึงสภาวธรรมที่เป็นฝุ่นจะตางไม่ได้ และพระพุทธเจ้าท่านแสดงถึงตาก็แสดงเพื่อทาลายสามอันนี้ทําทําลายไอตัวอาหารการะ ม, มังการและตราังการอหารการทําได้ทําสามารถทําลายได้แล้วมะมังการก็ชื่อว่าทําถูกทําลายไปด้วยปราดังการก็ชื่อว่าถูกทําลายไปด้วยเพราะฉะนั้นเมือ่อง่ายิสตะในควานช้าเกิดความาสงสัยบอกว่าเอ๊ะให้ลหักตาทั้งสามตัวแล้วใครเล่าเป็นผู้เถ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอิสตะเอ้ยก็ใครเล่าล่ะ ที่มีความรู้สึกชอบเป็นตัวเป็นตอยู่นั่นแหละเป็นผู้ละล่ะตัวนั้นแหะเป็นทีละใครเล่าละ่ะที่ยังมีความรู้สึก ย, ยึดถืออยู่ตัวนั้นแหะเป็นผู้ละแล้วตัวนั้นแหละจะต้องลาตัวมันเองทีละตัวมันเองอีกทีหนึ่งไปด้วยไม่จิตตะงงใหญ่ว่าเอถ้าอย่างนั้นแล้วก็มีอะไรเราเป็นฝาะลาะท่านพุทธเ้าก็ตรัสสักวันดวงตอนจิตตะคําว่าอัตตาอัตตานี้เป็นโลกกสมัญญาเป็นโลกกัมมิรุติเป็นโลกกัโมหานเป็นโลกบรรดญ อันตถาคตจ้องราเรียกตามไปด้วยแต่หาแตยึดถือจัดเฉยเอาไม่นี่เปันการโนานยะของธมรมะสัจจะตัสมุติตัจจะมีบางเสียงพูดเสมอกว่าเออเรื่องธรรมะตัจจะมุติตัจจะไม่เคยพบบาลีขั้นพุทธพจน์เลยพบแต่ในขั้นอภิธรรมพบในขั้นอันตถารุ่นอันตถารุ่นดีกาในขั้นสตุยังไม่เคยพบพุพจที่ตรัสตรงตรงออกมาว่านี่เป็นธรรมตสัจจะ นี่เป็นสมมติัจจายัไม่เคยคที่ไหนความจริงก็เป็นนั่นไม่พศทั้งสาริการม่มีไม่ีคาว่าสมมติสัจจะปรมาจารย์ผมทายหาตดอย่างนี้นนเลยแต่ว่ามีอภิธรรมอภิธรรมพิดกนีแล้วก็มีในรุ่นรุ่นรุ่นอัตกถามีแต่ทั้นทั้งหลายความจริงมีครับแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสกงว่าปรมาจารสมมติสัจจะออกมาอย่างนี้ล้วแต่โดยแอบแฝงคือตรัสไปจิตตากบางทั้งนี่แหละว่านุกอจิตตากคว่าอัตตาอัตตามีเป็นโลกกสมมัญญา เป็นโลกกันนี้ลุกติดเป็นโลกก็โอหานเป็นโลกก็บังหยัดอันตรพาคดยอ่องร้องเรียกตามเขาไปด้วยแต่หาได้ยึดถือจับฉวยเอาไม่คดกับคข้อนี้แหละยืนยัว่าอค์แสดงคุณสัจจะสัจจะสองทีว่าโลกก็บังหยัดโกโมหานนี่แสดงโดยนายยะสมุทิสัจักรองคัว่าไม่ได้ต้องยึดถือตั้ยึดถืออันกก น, กก น, กกนั้นเ ก, ก็เป็นเราอันนี้เป็นธรมติสัจจะเพราะฉะนั้นคำว่าสมุทิสัจักกับธรรมตสัจจะพระอัตฉริยจารย์หรือพระ อาจารย์ที่เาเจนาพิธามท่านซื่อตรงต่อพุทธมติเสมอท่านไม่ได้นอกออกแหวกแนวพระศ า, าสนาบัญญัตธรรมที่พระองค์ไปตั้งสอนขึ้นมารองรองซึ่ง้ระบูรณอาจารย์แต่เก่าต อ, อนที่ท่านแต่งตั้งาคำทีต่างๆเนี่ยท่านซื่อตรงต่อพุทธพาติดเสมอเปนพียงแต่ว่าท่านได้นายะมาจากพระศาสดาแล้วก็เอามาขอดความบัญญัติสอบเรียกใหม่ให้เป็นที่เข้าใจง่ายท่า น, นั้นเองท่านไม่ตูรู้นอกข้อนอกวิ้ิทนิ์บัญญัติถึงที่นอกวิสิทธินอกลอยอันไม่มี ในภาษาศาสนาหรอกถ้าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องมีคนมางคนเขาเขายากบอกว่าส ม, มุติสัตว์ธรมะสัตวที่หนมีใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในบาลีพุทธพจท์เลยเป็อันแก้ตกเข้าไปด้วยนอแก้ตกเราอยูนหลักอันนี้ในโพธปารสูตรแก้เป็นอันมกไปคง แ, แสดงบนมนเยอะแยะแสนเหมืนนั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าหลักเมตตานั้นก็คือหลักที่ปฏิเสธความเป็นของมีสาระในสิ่งทั้งปวงถ้ายังนั้นมีานไม่ทำมีสาระไหม ข้าวมรรคารธรรมเนี่ยเป็นธรรมมีสาระไหมมรรคพานธรรมนิพคานเป็นธรรมที่คนโลกไม่ใช่อยู่ในเวหาจิตกล่าวได้ว่ามีสาระหรือไม่มีสาระคําว่ามีสาระหรือไม่มีสาระนั้นเราพูดกันได้เฉพาะในฝ่ายโลกธรรมเท่านั้นเองในโลกอภายในที่พูดกันได้นิรรคภาริทนจากความมีสาระและทนจากความไม่มีสาระถ้ามรรคานไม่เป็นภาวะไม่เป็นอาการถ้าเราถือว่ามรรคพานนั้นเป็นภาวะ นิพพานก็มีความมีความเป็นใช่ไม่ได้เพราะว่าเพราะวาตัศยานิพพานใช่ไม no ่ไ yeah. ด so, no. ้ลงในหลักปฏิจจุบันอาวแล้วกันพระนิพพานเพะความมีความเป็นต้องมีความเป็นเป็นปัจจเกิดข้าแล้วทีใไม่ได้แล้วไม่ใช่พนาั้นพระนิพพานหรือไม่มีความมีควาเป็นอย่างนั้นหรือถ้ามีภาวะพระนิพพาก็มีที่ไม่ผ่านเหมือนกันไม่ใช่ถ้าเราถือว่านิพพานเป็นภาวะเรากาลังตกอยู่ไม่ขายของอุเฉติิ ไอ้ขอ้าพุทสตกอยูในขายของสัพตทิชิตในขายที่เห็นว่าเทียบ ม, มีความมีความเป็นอยู่ถ้าเราถือว่าไิทานเป็น ว, ว่าะเราหนีไม่พ้นจากกุศเลติิิถ้ามทานนะพ้นจากทิชิสองนะอย่าลืมพ้จากิชิสองเพราะเหตุ น, นั้นท่านกัจจาย น, นะอรหรันตสารหารันกัจจานนะได้ทูลถามถึงปัญหานี้กับสัพสต า, าตก็องต์รอดูตอนกัจจานนะ คำว่าิ่งทั้งหายมีอยู่คำนี้ก็ไม่นสังขวนอจิตาปต บ, บาลีอจิตา<ม>คือถือว่าทุกสิ่งมีอยู่เนี่ยเป็นสัง่วนตกอยู่นนขายของสตัฏความถือยึดถือในคามมีกวามเป็นยางเกิดบวกนะความนอกศาสนาที่เป็นกรรมวาสีคิดถือว่ามุอาสอตามีเถรตันยูมีธรรมะตมันนะทรงตลัสว่าเป็นขวัญอจิตาอันนี้ก็เป็นสมงขวน จะกล่าว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่อันนี้นก็ไม่ต้องควรเพราะกอยู่ในข่าย้องวกตุขุดเข็มตะพิชิตขุดเข็มตะิชิตเห็นไหมว่าปฏิเสธกวามมีความเป็นเป็นบกข้างาวิถีสถาคดยอมแสดงทำเป็นข้างกลางไม่ตกอยู่ในฝ่ายอักขิตและนักิตาคือแสดงอย่างไรแสดงว่าเพราะเหตุอันนี้มีอยู่ผลอันนี้จึงมีผลอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเสร น, นี้ ก็เพราะเหตุางนี้มันมีอยู่ผลทางนี้ก็มีจริงผลอันนี้จะดับไปได้ก็เพราะดับไปก่อนเหตุทางนี้คืออิดักปัิยาตาแสดงความันเป็นปัจใจเป็นรูปโตหรือเยน็นกันนี่แหละเป็นหลักที่ท้ารงในพุทธศาสนาไม่ได้ตกในตายศ า, าสนาทิพยหรืออุดเดชไปในทิพย์ไม่ตกในรัะนาลนะัคนาต้องไอธิบายมานี้เพรเหตุว่าทำทั้งดวงที่เป็นโลกภพ น, นะเป็นสังขารภ่นวนไล่าระไมขมตาร เมื icana, Entonces, ่อเรากระทาทางฟวงไม่ารไม่มีแก่นทำมาสาระู่ดม่หกไม่แก่นไม่มีนธรรมดาไม่ทางห่งมีแก่นแล้วเราบอกตาออปอกี้ออกต้องเจอแก่นนะแต่ว่าโลกระทำทางฟวงมันไม่ใช่แก่นเยมันไม่ต้องตู้อปอกตาหาังต้เลยทำให้เชื่อทนก็เลยโนติดลอบไปดินแดนที่ดินทั้งต้นหไม่คยเเจอไม่รู้ไปไหนกูไปลูกหาย่ไปที่เลยลอบไปดินแดนทั้ง้นทำไไม่มีก่น โลกธรรมมันเ็นเมือนต้วยเอสนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาของเราจึงเกหลักว่าเห็นละพินรูปมังรูปังมรรติสูปมาเวทนาปรูปมามรรติสูปมาตั้งาสรงขารากระสุปมามายมงควิญญาณนั้งเดชิตาเดชันธนาแปลความว่าเห็นละพินรูปมังรูปังรูปนีปรียเหมนฟองน้ำเวทนาเปรีเหมนต่อมน้ำตั้งาเนี่ยเปรียเหมือนขยับแก สังหารเศษเหมกลววิญญาณเป็เหมืนกเกิร์ล่เมื่อคัหน้าเศษนี่ละเอามันมีอะไรมันเปตาละอะไรบ้างมีอะไรมันก็จะเป็นตาละไม่มีปองน้าบองน้าพยักแดดพยักแดดนะไปดูแต่ไกลดูไปหนึ่งว่าจะมีเงินจะมีแสงสีอะไรพอเข้าเข้าเได้หายและอย่างคนเงินทะเลตายมักจะสุขภาพลวงตามองแต่ไกลเห็นเป็นโอเอซิสแหมมีทะเลสาบน้ำมีชะอุ่มไปหมดคนที่หนึ่คนกำลังหิ้มน้ากดน้ำไปหลายวันในทะเลทรายท่ เห็นใพวตาเนี่ยมีตาเ็เข้าไปใกล้ภาพดวอาทิตย์หายไปตาดี่ทิงสเป็นขยับแต่นะแล้วเกาะตน้ต้นกล้วยล่อตาปลายต้นกล้วยหายมีสังขารอมันต้นกล้วยวิญญาณเปรตเหมือนมายาตอมาดูว่ามันจะวิญญาณนางเป็นมายาตอวิญญาณเนี่ยนักมายาตรนแสดนคนมีสาระจับสาระไม่ได้ที่แท้เป็นเรอหลอกเรรอคนดูทั้งนั้นเมื่อขันทีห้างเคราะหลงได้เป็นอย่างนี้แล้วถ้ามันจะทิ้งตาแล้วเป็นอะไร สุนยตา่หละคือสุนยตาอันอัังหานแหละมันลเที่ว่าสุนยตาเพาว่าเัไม่ีแสงเอาเข้ากินแล้มันหาแสงไม่ได้มันอาแสงไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทานองว่าอ่าบางคนเข้าใจหลักธรรมอันนี้ผิเกว่าผเจ้าธรตรสว่าอัตตาเป็นัตโนมัติเลยนะนของตนเปนตัวึ้นของตน มันแได้ว่ามีตนสองคั้งไอ้ตนอันหนึ่งเป็นตนที่ไช้สิ่งปฏิกิริยาไอ้คนเกนี่ได้นสองครั้งไอ้ตนเจ๊เลยตนที่นประกอบด้มหาปุรุโลกสีตัวนที่น้องเดินกันนี่แหละายนีเรื่องนี่และแล้วก็ไอ้นจริงน่ยเป็นไอ้ตนที่จริงที่ขึ้นก็บตนเก๊นั่นสีพุทธาสิครังนี่ไม่ได้หมายตามประเด็นนี้เลยอาจารย์ท่านหลังบางท่านวิเคราะห์พุทธมติผิดไปสอนลัทธิตรงกับพานเข้าไปในี้ตัวไปสอนตรตรงกันตรงกันตรงกับเข้า พวกขรามีใจใหญ่ข้าพิธีขอแต่เพียงแต่ว่ารงกระ้อธิบายตาสณาความแทนข้าสบายแลวเกิดาพุทธิ่ายเดิยแท้อธิบายศาสนาความแทนท่าได้พเราไปขึต่อมวีอัตตามีอัตตาอัตตาดีขนมาโผล้นใหญ่เป็นที่ขึ้นแต่ตนเล็กฝรั่งบางคนยังแปลเลยฝรั่งนะนักศึกษาฝรั่งที่ศึกษาพุทธศาสนาในทีขึ้นคอแปลพุทศาสนานีข้นคอเป็นทางหนหรือแปลว่าไอ้ตนเล็กนี่ตนใหญ่เป็นที่ขึ้นนีตนเล็กคจะพูดผู้ใดก่อนเป็ตนใดเป็นที่ึงนตนเล็ก ห้าติดข้อดังขับติดจเรื่องลี้ยานตรดใจเรื่องตนหรือว่าตนนี่เป็นตนนี่ก็เลยไม่กว่าพุทธพาติข้อนี้มีความหมายว่าอย่างนั้นพุทธพาติดข้อนี้ไป็นควหมายว่าอย่างนั้นตรงแสดงตามสมมติสิสัจจะบางจริงตนที่แท้ไม่ใช่แต่พูดด้วภาษาสมมติสิสัจจะให้คนเรามีความรู้ละภาพเองขึ้นตัวเองจึงได้แสดงคานี้ออกมา พอถึงคำธรรมัตระสาทจากแล้วคงแสดงอย่างตะวันนี้ว่าลูกเปรียบเหมือนพอนะำเป็นสดออกมาเพื่อจะให้เราเห็นภาพว่าคัาทั้งห้านี่ยเป็นสภาพที่ไร้สาละก็เมื่อคันทั้งห้าเป็นสภาพที่ไร้สาละอย่างนี้แล้วเป็นทั้งก็เป็นศุนยะตาคันห้าไร้สาละแล้วใครเล่าเป็นผู้พ้นทุกถามวันนี้ใครุู้พ้นทุกใครไม่มีใครไม่มีใครคน้น ตอนนี้ไม่มีใครพนแางุจะมีไหมไม่มีอย่าลืมนะนี่คือพระัะนะอย่าเอาสมมายุ่งกันนะถ้าสมมมายุ่งสดิอย่านี้เป็นนปิกรทผิดนะระวังนะเป็นักิกการผิดเียวเป็นนัิกการี่ลตัวเดีาพราะฉันพะษาท่านแสดงหลักุญตาต้องดงให้ถึกับปริสังขิตาการันติตาริสัสาละไม่เยหลักุาตาดไปไม่่่สดงบาสมณรรมทีน้าปฏิัติัน ถ้าแสดงดาแสดงตับเครือข่ายที่บนโคกกางทั่วไปแล้วไม่เป็นแสดงเลยนอกจากการแสดนเส้าปอมมือคนคนั้นมีสัญญาณารมีแกร่งกล้าเหมือนมะม่วงชุ้งถูกจิตจักรพัวแล้วนั่นแหละจึงแสดงเพราะแสดงฐานสุนั่นไปลุกยางตามเป็นอาณาคาร์ไปเลยธรรมะนี้พานแล้วมปลุกยัน่ามป็นอาณาคาขันโผดาไม่ต้องฟังนัตตาไม่ได้โผดาแล้วไม่ต้องฟังโดาบันไม่ต้องฟังธรรมะไม่ขัดอนัตตาหรอกไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นนั้น ไม่ต้องพึขาดีกว่าจะเพิ่มของอุ ป, ปาทานเื่ม เ, เพราะว่าโสดา น, นั้นยังอุปาทานอยู่นะยังที่ถือขวีเรามีเข้าโดานยังมีอัการน้ำังการตารางการร้อนทุกอย่างพราอทุกอย่างเป็นเพียงแต่ว่าทุกจิตของโผดา น, นั้นไม่ไม่สอสุดไ้ในเรื่องเปอน์เซ็นตนเียงแต่ละทิศถึงนะละตอนทิถึงไมหลเอคาคนที่ว่าโดานนี้ละ ส, สัาิาว่าละอุ ป, ปาทานและอุปาตาลายลอุปาทานยังมีเป็นแพร่ แต่เรื่องดถึงเขานงิดลากไปเขามาที่ผิดไปเลยท่านนะละความเห็นละความเห็นหรือละความคิดถึงวาทะี่ว่ามีคนละวาพะอันนี้ละความเห็นอนี้ไม่สงสัยอีกแล้วไม่สงสัยในธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกแล้วที่ตรงแสดงว่าทำทุกอย่ไปอนัตตาถ้าโสดาทําไม่สงสยอีกแล้วอาการที่ไม่สงสัยในธรรมเรื่องเป็นอนัตตาและนี่แหละเป็นปัตรยะที่ผิดละตักระยะที่ิด้ นี่หละเป็นอาการที่เลวกว่าละตายจะเป็นสิดาแต่อันที่จริงพระโบดานั้นจิตใจยไม่ถือขันหืาเป็นเราอยู่เป็นของของเราอยู่ยังไม่ถืออยู่เพราะฉะนั้นโดาจึงยังมีครอคดจึงยังมีความโกรธได้าม้ตตะกัคาเข้มไแอนาคาละโกรธละโทะได้แล้วนะแต่ยังมีภวะปัญหาความติดในามมีกวามเป็นหายาว่ายังติดในอัตาอยู่ ก็วามที่ถือเยังอยู่วาที่ถือให้เ่องเพราะสัญญาถูกวามถือให้เรื่องนะต่างกันนะเนี่ยตางกันเยะแต่ไมเราน่ะเอาเพราะถึงเราจะอ้างบกว่าท่านเห็นท่าน้าอาแต่เห็นแบบนี้ทุกวันอาจจะรู้ว่าเออเขาถจะมีอัตตาอด่ได้ยังยังละแตราติดิดอยูค่ะเพราะฉะนั้นอ้ี่เราบอกว่าเห็นเหเป็นอาณตจารย์นะเห็นอ๊อกมีสัมผัสปัญญาทุกต่ยปัญญาฟมาเห็นมาฟังมารู้มาต่าว่า ไม่ใช่หญิงอังเสริฐเป็นปัจจักสิทิ์จากยานภาวนาญาณผู้คนแต่ส่วนพระสุบาห์นั้นเัาเห็นในภาวนาญาณว่าอันธ์หานี้เป็นอนัตตาแก่มีความเหอย่างนี้จับภาวนาญาณท่านเป็นชื่อว่าอันละสักจะได้แต่ม่มีคนละได้หรอสัจจะทีสีละได้กต่เป็นผัวขั้นผัวขาวในขณะที่เราปราบซึ่งต่อธรมะหรือพิจารณาไตรตรองตามธรรมะที่แสดงว่าคทั้งสอเป็นอนัตตา พอเแ บ, บแล้วกลับไปบา้านแล้วคณะจุดจังหวับไ ป, ปามาอาจจะไม่คิดมาว่ามีเราเนี่ยอะไรเนเป็นเราเราที่วนเราที่หลงมีเนอะแล้วใครบ้างจะเป็นไรบอสงสัยว่าใครหนอใครหนอผู้มีคยังมีอยู่บอสงสัยว่าเรากำลังเป็นอะไรหนอจักเป็นอะไรไปหนอเป็นมาได้อย่างไรหนอเนี่ยหนอนหนอี่แหละอภิปะจังขาประจุประจังขานาปตะการขาเนี่ยเนี่อันนี้ถ้าผมตาถนัดดา่าตาไม่ได้หมายกว่า่าน ละอาหารตามได้แต่ละอาหารตาได้จะเป็นอาหารชนะบุคคลประเภทเดียวนันในโลกที่จะเข้าเปอธิษฐานอย่างสมูคือข้าราชการเพราะละอาหารตามได้ทานเป็นสมุเฉิดเป็นทานจากคำสัตวานั้นนะขพรเหตุนั้นเมื่อู้วตนนม่ดแล้วเป็นพุทธตาแล้วผู้คนทุกข์ก็ไม่ดีผู้ทุกข์ผู้สวยทุกข์ก็ไม่ดีผู้สวยทุกข์ไม่ดผู้ทนทุกข์ไม่ดีไม่มีความท้นทุกข์อนไปด้วย ก็มีผู้ทุกข์อยู่จึงมีผู้ทนใช่ไหมถ้ามีผู้ทุกข์อยู่จึงมีผู้ทุกขนถ้าเมื่อผู้ทุกข์ไม่มีแล้วผู้ทนจะมีได้อย่างไรใช่ไหมเมื่อผู้้นไม่มีแล้วความ้นจะมีได้อย่างไรความ้นก็มีเพราะเหตุนั้นคำตั้าตัวเป็นมิจาเป็นอย่างนี้ว่างจากตัวตนว่างจากของขนถ้าใครมันไม่้ว่าพนธุ์ทานเป็นของถังถ้าใครรู้จักพันธุ์ทานเป็นของังคนนันม่ได้ดาน ถ้าใครบอกให้ฉันมานุกนิทานแล้วไม่มีความมุ่งมั่นจะแจกว่าฉันเข้าได้ถ้าทานแล้วคนนั้นยังไม่ถงนิยถ้าอย่นันหลายอาจจะสงสัว่าพระอรหันท่านีเกิดยาักนามอกกระตะปารมโยิพนสติจะพึทก็หมดแล้วเอามันจังสต็จบแล้วถ้าเองนแล้วนี่ถ้าใคจะมาท้ารนนี่เป็นแต่ก็ไมู่นั้นล่ะพูดโดยสิอสารไม่ใจท่านทไที่ถือหรอกาตัวท่านได้ทาเ็ทาี่ถือหรอ แต่ท่านพูดออกมาจากปากนั่นแหละพูดพูดกระตัท่านเองอ่ะถ้านจะพูดท่านจ่านจะภาษอะไรมาพูดล่ะท่าเป็นคนนี่ก็ต้องพูดภาษาคนมีบาขันท่านยังมีอยู่นี่นะท่านกต้องใช้บาขันที่พูดอย่างคนพูดไปเขาพูดกันน่ะสิท่นมีงบอกว่าทางรจำของเราจบแล้วที่จะควรทาก็ได้มีอะไรจะทำหยุดแล้วหมดเรื่อง้งแค่นี้ละค่าหมดกันแล้วหม้ของเราหยุนียแล้วพูดเด็กภาษาคนเพราะท่านยังเป็นคนอยู่งมีันกับันจบอันเป็นมีบาขันอยู่ ท่านยังตั้งควาันตามหน้าบิดมีตาขันอยู่แต่ในใจท่านทนไม่ถือว่านี่ทานเป็นของข้าไม่ข้าแล่มทานไม่ใจมันมีความยึดถืออย่างนี้เด็ขารทรเพราะท่านเห็นสุญญตาว่าททั้งตัขหน้าเป็นสุญญตาอย่างนี้ะและมีาระเมื่อตัวผู้ผู้ทกีแล้วความทุกข์็ือควทุกปแล้วความทุกข์ความทุกความทุกข์ก็ตามผู้ทุกข์ก็ตามล้วนแต่เป็นสุญญตาเมื่อพราะ่าระ ถ้าท่านบอกวาควัทุกมีสาระแล้วถ้าความทุกมีสาระควันทุกกรเเทียมเลยสิทมือควันทุกเที่ยงแล้วถ้าอันก็เลยอ่โลกถ้จ่าก็ไม่เคได้ถ้ามือทุกมันเป็นเที่ยงแล้วเราก็ต้องเที่ย ง, งทำมันในค่ำคืนนี้ลเราต้องุกันตลอดทำงานต่างมีทางจะหลุดพ้นใช่ไหมก็เมื่อทุกมันมีทางจะหลดทุกดาสเรดว่าทุกนี้ลายสาระอันใดรันสาระอันนั้นเป็นสัญญาตาถ้าสัญญาตานเนี่ยใราไ้ฟังแล้วว่าไม่มีสาระสาระคืออะไรคืการ เราบอกเราพูดว่ากันฟันกันฟานคือดูกันฟานอยางนั้นเขาพูดมีสาระไหมถ้าพูกมีสาระพูดก็เป็นเทียงพูดก็นั่นก็เที่ยงถ้าพกดเที่ยงนั่นก็เป็นทางข้ามิถานต้อปฏิบัติอย่างไรอย่างไรเพคพาาไมด้เพราะมีสาระขึนแล้วสาระมายจว่เที่ยงอย่ารืมเพราะฉะนั้นถ้าเรารับว่าพูดก็เป็นสาระว่านก็เป็นสาระนั่นก็เป็นลัว่า ผทุกตะกวันท <olo i> ุกมันเป็นสุญญตาเป็นส so ุญญตาเมื่อผู้ทุกตะกวันทุกเป็นสุญญตาแล้วทุกสิงในโลกจะมีความหมายไหมไม่มีโลกนี้สุญญตาเป็นมายาเป็นมายาตามายากพเราเป็นมายาโลกเป็นมายามายาบุตรก็เป็นมายาบุตมายาเป็นอะไรคนรอบขึงอะไรมายาบุตมายาเป็นมหามายามายาใหญ่ทีเดียวมายาใหญ่เพราะฉะนั้น หลักพิญญาตามีอยางนี้ว่าหรัเือขอาตานแต่ไม่จำนว่าหับกันในฐานะที่เราดมีสิูนะเอาก็คือที่กรืาตาและลาจนิฉาทิศลาจนิฉาทิศเพห์ได้นะทินะพวกนี้แหละมิญตาเป็นดาสองลูกไปดีบาี้ลูกคราไม่ดีฆ่าไปโกันพิาตาแต่ถ้าลูกคราดีตัิเล ฐานเสน่ห์ขุดลาาขุดคูหนหมดไปเลยเพราะฉะนั้นเรืร่องพิญาตาเนี่ยธรรมปัญญาหลายแต่ทำใจโดยดูโมณติการโด ย, ยอย่าลืมเอาหลักศัพจากสองมาจับว่าหลักพิญาตาในพุตธศาสนานั้นพระพุทธเจา้ า, มมาสานอนสำหรับเป็นธรรมะปฏิบัติเบื้องสี้ไว้สำหรับเพิกถอนอธรมารมการตารางการ ม, ม, ม, ม, ม, ม่ใชะเอาไว้ักพูดานาในฐานะที่เราเป็นชาวบา้านชาวเอามาพูดกันเอามาพูดเล่นกันหรือ ไม่เอามาพูดในฐานที่เราไม่เห็นนักปฏิบัติทาเพราถ้าเอามาพูดอย่างนั้นเป็นของเล่นแล้วมันชนจะให้คนจะนิชาพิถีชนจะให้เร็นเพราะมันเคยเห็นว่าไม่มีบุญบาปไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็บุญมาก็ไม่มีว่างตาหมดเลยนักผลิทานว่างเปล่าทบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปเพราะตัีผู้ทำตัวนี้เองนะอย่างนี้จะนิชาพิถีทั้งศึกษาสนานั้นสองทั้งสมุติิโวหานต์ตัดธรมะันต์สมมติวิโรหันต์สองหลักราเราติยูในโลก่วงโลกม่ทะละัโลกไม่ขวางโลก ทหารสองรับติดตั้งติดใจเพื่อติดใจหมดความถือเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ต่างขนนี้เพราะฉะนั้นอาาธวีกาเสร็จีต่อทไม่เคยตังคาเรื่องอนัตตาเลยท่านพุทธเจ้าสมเดพระเ็พดอาากาเสร็จทีมา้ตัวตาเจ็หนักภษาสระยภาษาลิบุตเสียเียวภาาิบุตรกระต่เสียเดียแล้วก็แสคอนัทุกขังัตตายกปัรักสัง อนาคตนาคิมีการเปลสีฟันน้ำน้ำตาไหลร่องห่ายแม้ำาหบนะพะสารีบุตรก็บอกว่าดูสิ่งกระดหับดีพระตาสุนทรได้พยายามสอนท่านว่าถ้าเป็นโสมดาวันนะถ้าเป็นท่านหนาเป็นปกติท่านยาือียใจยากศร้าโศกจะไปขับถึงเบื้องหน้าเป็นอย่างดีเลยหรือว่าท่านมีคามห่วงใยอะไรอยู่หรืออาจารย์ห่วงใยนั้นพระสารีบุตรท่านท่านยาเสียใจจริว่าผมนี่นะ ร้อไห้ถ้าอีสอนสอนยาอะไรอยู่ถ้าผมนี่จะเปสอนดาวันทำพระศาสดาพยาสอนแล้วว่าเมื่องต่าคๆมันทนจริงๆนะแต่ที่ร้อยห้านี้น่ะพระไม่เคยฟังธรรมะนิดเดอยางน้มา่อนเลยตลอดชีวิตพอฟันใคก็ต่อเมื่ออายุมากชวนจะตายเจ็บหนักเจ็บเลกนี่แหละฟังต น, น, นี้ยุประดเลยนี่แหลว่ า, านั้นว่าะ า, าสานาเคยกระทมั น, มน่ีให้ฟังมา่อนเลยทีเดียวพรตายบุตก็เออหน่าก็ตายดาอั พราสาก็ปตรัสวันดูก่อนภาษาีุ่สคาถาโคตรลึวละบราขาหั ก, กประเนี้ า, า, า, าระหักประดีส่วนมากเป็นผู้บริโภคการยังเดียดนอนเดียดเดียดกระ บ, บุทภริยายังทากระจัดกันนุ่ผมผ้ามาแต่เมตาสียากนะที่จะเข้าถึงหลักอันตาอันต่าเหเป็นยากเป็นหนุยากดึงมแสดงธรรเป็นาปเพื่อพิิกษาประโยชน์ทำลายกษาประโยชน์ไว้เป็นส่วนมากไมได้แสดงธรรมเป็นพระมรประโยชน์ต่ว่านี่คือทาหอนสานมาเล่าใหันึ เป็นเครื่องยนยันว่าหลักถิ่นานี้เป็นธรรมะที่สูงสุดในพุทศาสนาสาหรับผู้ที่จะพ้นโลกผู้ที่ยืนจิตใจหรือมอัดพยาบาลโน้ตเดี่ยวที่สรุปพ้นทรรมนั้นก็องจรแสดงเพราะฉะนั้นหักถิงนาในวันนี้ก็ขอจบเยาะเยาะลงเพียงเท่านี้เจริญสุขขัน <c oughs> ส, สาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันอีกในรายการธรรมะก่อนนอนเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ มระปริยาญาสูตรให้ท่านผู้ฟังได้กดใจรู้สึกว่าค่อนข้างจะยากสักหน่อยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าตรัสไว้ว่าปุถุชนในโลกนี้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอารียเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอารียเจ้าและไม่ได้รับการแนะนำํำจึงสําคัญธาตุดินธาตุน้าําธาตุไฟธาตุลมสําคัญสัตว์เทวดาพรหมมารพรหมต่างๆ่าเหลา่านี้ว่าเป็นอัตราตัวตน เพราะความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้แม้แต่พระนิพพานเองก็มีความยึดถื อ, อที่เป็นเช่นนี้นะ่ะมีความหมายว่าอย่างไรก่อนอื่นสาธุชนทั้งหลายจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าคำว่าปุถุชนในที่นี้ได้แก่ใครที่เรียกกันว่าปุถุชนคำว่าปุถุชนนี้เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆปุถุชนนี้คาว่าปุถุน้แปลว่านา แปลว่าหนาคำว่าหนาในที่เนี้ท่านหมายถึงกิเลสหนากิเลสเนี่ยหนามากเพราะปุถุชนนั้นในอัตถกถาท่านอธิบายว่าบุคคลที่ชื่อว่าเป็นปุถุชนเพราะว่าบุคคลประเภทนี้ย่อมมีการเกิดมีกิเลสอันเป็นบาปประทับทั้งหลายมากมายหลายอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผู้ที่มีกิเลสอันหนาแน่นมากมายเช่นนี้แหละเราเรียกว่าเป็นปุถุชน หรือบุคคลเหล่าใดที่ถูกสกายธิฐิเข้าครอบงำมากบุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นปุตตุชนหรือท้าน์บายว่าบุคคลเหล่าใดเหลียวหน้าดูเหลียวดูหน้าอาจารย์เป็นอันมากบุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าปุตุชนหรือบุคคลเหล่าใดที่ถูกคติทั้งปวงเป็นอันมากเข้าครอบงำแล้วหรือพวกใดที่ตกแต่งอภิสังขารต่างๆเป็นอันมากหรือบุคคลใดที่ถูกคล่องน้าต่างๆพัดพาไป บุคคลใดย่อมเดือดร้อนด้วยเครื่องเดดร้อนต่างๆหรือบุคคลใดที่กระวนกระวายด้วยเครื่องกระวนกระวายต่างๆบุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นปุตุชนหรือบุคคลเหล่าใดซึ่งเป็นผู้ยินดีเป็นผู้ติดเป็นผู้ดิ้นรนเป็นผู้ถึงเป็นผู้คล้องเป็นผู้เกาะเป็นผู้เกี่ยวอยู่ในกามาคุณห้าผู้นั้นก็ชื่อว่าปุตุชนหรือผู้ใดที่ถูกนิวรธรรมห้าห่อหุ้มไว้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นปุตุชน หรือผู้ใดที่เบือนหน้าจากอริยธรรมและประพฤติธรรมอันตำ่ำผู้นั้นก็ชื่อว่าปุตุชนฉะนั้นคำว่าปุตุชนเนี่ยมีมากมายด้วยกันแต่ก็พอที่จะจำแนกไว้ได้เป็นสองประเภทด้วยกันปุตุชนสองประเภทนั้นประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอันทะปุตุชนประเภทที่สองเรียกว่ากรยาณปุตุชนคำว่าอันทะปุตุชนนี้ ท่านหมายถึงปุทุชนที่มืดบอดคือที่มีกิเลสห่อหุ้มจิตใจมากจนมืดบุคคลประเภทเนี้เราเรียกว่าเป็นอันทะปุทุชนส่วนกริยาณปุทุชนนั้นหมายถึงปุทุชนที่มีกิเลสแต่ว่ากิเลส ข, ของปุทุชนประเภทนี้เป็นไปในทางสร้างความดีไม่ใช่เป็นการเป็นไปในการสร้างความชั่วเช่นปุตุชนที่มีศีลมีธรรมอย่างนี้เป็นต้นเราเรียกปุตุชนประเภทนี้ว่าเป็นกริยาณนะ ปุถุชนฉะนั้นคำว่าปุถุชนจึงหมายถึงผู้ที่มีกิเลสหนานแน่นผู้ที่ถูกอวิชชาต่างๆครอบงำเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นปุถุชนแล้วก็จาแนกออกไล้เป็นสองประเภทเป็นอันทะปุถุชนกับกริยณปุถุชนปุถุชนที่ทำบาปทำกรรมมากโดยไม่สร้างคุณงามความดีก็ทำให้ชีวิตของบุคคลเหล่านั้นต้องมืดมน และคติของบุคคลเช่นนั้นก็ย่อมจะมืดมนด้วยเพราะว่าคนที่ทำบาปมากหมกมุ่นกับกิเลสตัณหาต่างๆมากเมื่อตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็เป็มไปด้วยความมืดบอดส่วนปุตุชนที่สร้างคุณงามความดีเช่นสาธุชนยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าถึงแม้เราเป็นปุตุชนมีกิเลสเราก็ไม่ทำความชั่วเราสร้างความดีถึงเราจะถูกคติคือความเกิดครอบงำอยู่ก็จักว่า เป็นปุถุชนชั้นดีเราเรียกว่าเป็นกัลยาณปุถุชนทีนี้คําว่าสัตบุรุษในที่นี้คําว่าสัตบุรุษในที่นี้ท่านหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรีย์เจ้าพระปัเจกพุทธเจ้าผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเราก็เรียกว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษหรือท่านกล่าวว่าผู้ใดก็ตามซึ่งเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นผู้มีความคิดดี เป็นมิตรที่ดีงามเป็นผู้มีความพักดีมั่นคงกระทำหน้าที่ของผู้เป็นทุกโดยเคารพบัณฑิตทั้งหลายก็เรียกผู้เช่นนั้นว่าเป็นสัพ บ, บุรุษฉะนั้นคำว่าสัพ บ, บุรุษนี้จึงหมายถึงผู้มีความกตัญญูมีความคิดดีคือเป็นสมมาทิฏฐิบุคคลทำหน้าที่แห่งความเป็นมิตร ด, ดีเหล่านี้เป็นต้นที่เราไม่ได้คบกับสัพ บ, บุรุษก็คือไม่ได้คบกับ พระอริยะเจ้าเราไม่ได้พบกับผู้ที่มีคุณธรรมอันสูงเช่นนี้เพราะฉะนั้นจึงทําให้มีความสําคัญผิดในธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาไว้ทีนี้ที่ว่าเราไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของพระอริยะนี้คําว่าเราไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของพระอริยะนั้นคาแนะ น, นํานี้ท่านจาแนกไว้ เป็น2ประเภทคือคาแนะนำทั้งสองประเภทนี้แต่ละประเภทนี้ก็ได้ขยายออกไปเป็น5ประเภทด้วยกันคือประเภทที่1น่นั้นเราไม่ได้รับคาแนะนำทางวินยัยวินัยเนี่ยมีสังวรวินัยกับปหาหาณวินยัยสังวรวินัยนี้มีอยู่5ประเภทด้วยกันคือ1ศีลสังวร 2. ส, สติสังวร 3. ายาณสังวรสขันติสังวรห้ ริยสังวรส่วนปะหาวินัยนี้ก็มีอยู่ห้าประเภทคือหนึ่งตทางคะปะหาร 2. วิขมพนะปะหารสสมุดเฉทปปะหาร 4. ปฏิปัสสัทธิปะหารและ5นิสรณะปะหารนี่เป็นปะหาณวินัยท่านจำแนกออกไปเป็นห้าประเภทอย่างนี้เอ่อท่านผู้ฟังควรจะได้เข้าใจว่า วินัยในพระพุทธศาสนาคือคําว่าสังวรวินัยกับมหาวินัยนั้นมีความหมายว่าอย่างไรสังวรวินัยในที่นี้ก็คือวินัยที่เป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของความสํารวมความสํารวมระวังต่างๆเหล่านี้เราเรียกกันว่าสํารวมหรือเรียกกันว่าสังวรท่านกล่าวว่าผู้ใดที่ประกอบด้วยปาติโมกสังวรการสังวรในพระปาติโมกอย่างนี้เรียกว่าศีลสังวร คือเป็นผู้ที่มีความสํารวมในศีลถ้าผู้ทรงศีลหรือรักษาศีลก็เป็นผู้ที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์และก็สามารถที่จะทรงศีลต่างๆที่ตนเองสมาทานนั้นไว้ได้อย่างบริสุทธิ์ผู้ที่มีความสํารวมในศีลอันนี้โดยไม่ให้ศีล น, นี้ขาดหรือด่างพร้อยไปเรียกว่าผู้นั้นมีศีลสังวรศีลสังวร น, นี้ก็คือปาติโมกสังวร น, นั่นเองเพราะสํารวมในพระปาติโมกส่วนคําว่า อ, อินทรี์สังวรอาคําว่าสติสังวรสติสังวรในที่นี้ก็คือเป็นผู้ที่มีความสํารวมสํารวมรักษาอายตนะหมายถึงว่าคนที่มีสติสังวรเนี่ยคือคนที่สํารวมในสติเป็นผู้มีสติตลอดเวลาเช่นในตัวเราทุกคนก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเรียกกันว่าอายตนะทั้งหขณะที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่นี้ เราต้องรับอารมณ์มากมายด้วยกันเช่นตาต้องเห็นรูปหูต้องได้ยินเสียงจมูกต้องรู้กลิ่นลิ้นของเราก็ต้องรู้รสกายก็ต้องได้กระทบกบโทบทัพารมณ์ใจก็ต้องนึกคิดในเรื่องของธรรมารมณ์อารมณ์ต่างๆเหล่านี้มากระทบอยู่เสมอตลอดเวลาถ้าหากว่าเราขาดสติเป็นเครื่องสงวนระวังแล้วอกุศลธรรมต่างๆก็ครอบงำจิตใจได้เช่นเป็นต้นว่า ในชีวิตของเราประจำวันบางครั้งเรารู้สึกเป็นทุกข์บางครั้งเรารู้สึกเป็นสุขที่เป็นทุกข์นั่นก็เพราะว่าเราได้กระทบกับอารมณ์ที่เราไม่พอใจก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์บางวันเราเห็นสิ่งที่ขัดตาบางวันได้ยิงเสียงที่ไม่ดีบางครั้งเรารู้กลิ่นที่ไม่ดีลิมรสที่ไม่ดีสัมผัสที่ไม่ดีนึกคิดในเรื่องไม่ดีความไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นทางอายตนะเหล่านี้ ก่อให้เกิดความทุกข์ในใจแกเรามากที่เราต้องเป็นทุกข์มากกว่าเพราะเหตุว่าเราขาดสติเป็นเครื่องกาหนดตาเห็นรูปเราก็ไม่ได้กำหนดว่าเนี่ยสักแต่ว่าเป็นรูปเท่านั้นเราอาจจะไปยึดถือในความดีและความไม่ดีของสิ่งที่เราไปเห็นเพราะฉะนั้นถ้าไปยึดถือข้าวก็เกิดความทุกข์ที่เราไปยึดถือก็เพราะว่าเราขาดสติเป็นเครื่องกากับใจเพราะว่าโปกติธรรมดานี้ เราจะเห็นจะได้ยินจะรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสหรือนึกคิดในเรื่องราวต่างๆก็ดีเราจะต้องรับอารมณ์เหล่านี้ด้วยสติสัมปชัญญะคือไม่ใช่รับโดยโมหะธรรมที่ว่ารับด้วยสติสัมปชัญญะนั้นคือเราจะต้องมีสติตามกำหนดรู้อยู่เสมอว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยสักเตว่าเห็นสักเตว่าได้ยินสัจแตว่าเป็นกลิ่นสัจแตว่าเป็นรส สัจธว่าเป็นสัมผัสที่เป็นความเย็นความร้อนเป็นความอ่อนความแข็งสัต่ว่าเป็นอารมณ์ที่นึกคิดเท่านั้นเราอย่าไปยึดถือถ้าเรายึดถือขึ้นมาก็เกิดความรักความชังขึ้นถ้าดีก็รักถ้าไม่ดีก็ชังซึ่งความรักความชังนั้นเป็นอภิชากับโทรมนั์ถือว่าเป็นอกุศลธรรมอันหนึ่งที่ครอบงำจิตใจและก็ทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่า จิตใจนี้ถูกความรักเข้าครอบนำเราก็เป็นทุกข์จากสิ่งที่เรารักเหลือเกินเป็นทุกข์เกิดความกังวลหลายอย่างถ้าเราเกิดความไม่รักเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเราก็ต้องเกิดความทุกข์ที่เราไม่ชอบไม่พอใจฉะนั้นจึงสรุปลงได้ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารักก็ตามหรือไม่รักก็ตามถ้าเกิดขึ้นครอบนำจิตใจแล้วสิ่งทั้งสองนี้ก็ทาให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าความรักความชังแล้วจึงไม่ดีทั้งสองอย่างมีความรักก็ไม่ดีมีความชังก็ไม่ดีทีนี้เมื่อไม่ดีทั้งสองอย่างเราจะวางใจอย่างไรจึงจะไม่เกิดทั้งความรักและจะไม่เกิดทั้งความชางังเพราะว่าโดยปกติธรรมดาแล้วปุถุชนเราทั่วๆไปนั้นย่อมจะมีความรักความชังทั้งสองอย่างนี้ครอบงำจิตอยู่ ถ้าไม่รักก็ต้องชังถ้าไม่ชังก็ต้องรักที่จะอยู่เฉยเฉยรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังนั้นเห็นถ้าจะหายากเต็มทีความจริงแล้วเรื่องของความรักความชังนั้นย่อมมีอยู่ในจิตของปุตตชนแน่นอนแต่ว่าเราจะทําอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดความรักความชังเกิดขึ้นภายในจิตเพราะรักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์จะทําอย่างไรล่ะเราจึงจะไม่เป็นทุกข์ ข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเรามีทางที่จะปฏิบัติต่อจิตของเราได้ทางหนึ่งซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มาก